พระเทราประวัติพระเดชพระคุณพระอภัยสารทะประถมสังฆร า, าชาแห่งล้านนาคุบาโสพาโสพโนวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซอโดยแม่บัวซอนเมืองเป้าสี่มืนเมืองยองจังปีปีก้อยวิทวัททีโนน้องหลอนปีกลางวิสิทธิ์ชัยวงน้องดิวปีเล็ก กวินดวงแก้วสลามือซึ่งพิษนุการสายแก้วน้องจอบเชิญหับฟังได้แล้วครับ ความดีพระมหาเท ร, ระพระเดชพระคุณพระอภัยสาระพระคนคารวะอยู่ตลอดกาลเจ้าเฮียกับคูบ้าน ตนผู้ยิ่งใหญ่และอยู่ในใจของเราสัง่งค่ะคูบาโสภาพระอภัยสารธน้อมการาะวะคุณงามความดีถึงแม้ท่านจะมรณะภาพไปเมินขนาดร้อยปีเป็นดวงดาวที่แผวพลผาวสีงดงามบ่มีวันล่นจาฟ้า ร่างกายผู้พังผลงานยังอยู่กัมสอนเป็นครูกรรมูเป็นอาจารย์ไปนะชีวิตคนเฮามนุษย์บ่ได้สิ้นสุดก็เพียงแค่ความตายเพราว่าความดีมันบ่สูญสลายไปกับร่างกายยิงใจเฮานั้น ยิ่งเหมือนก็ ย, ยิ่งเทวีคุณงามความดียืนยงคงมัน่นเหมือนตั้นคู่บา้อดทนอดกลัน้นต่อสู้ฝ่าฟันผ่านมาได้ต่อสู้เพื่อเราสังคังเสียสาะเพื่อพระศาสนาปัดเบาปกป้องเมื่อมีภัยมาปะมุกสังคารล้านนากนกี ขอน้อมสะดุดีสิทธาโมนีผู้มีบทบาทนี่และน้อสาถุน้อมนายมตนได้จะลึก เป็นประวัติศาสตร์ผู้คนไหวกลับยังภาคภูมิใจการต่อสู้เพื่อคนลวงลายสมกวรที่ได้ยกย่องอวดแางเหมือนเป็นผู้แปลงตังฮื้อคนลุ่นหลังก้าวย่างเติวต่อนี่แลนฮอไว้ทีเลิกลำ จะมาไปาแม่บัสอนไปผู้ประวัติของหลวงพ่อผูบาตรตนเก้าตนแก่ของเมืองเชียงใหม่นประวัติศาสตร์ล้านนาจจลึกอันแล้วหูเสิกและภูมิใจอย่างยิ่ง ไม่จะห่วงว่ามีการมีกิ่งแยกเยื่อก็ที่ม่ยอมวิ่งหนีซื้อเจ้าเ้ยการทำดีแลพวกคนส่วนมากและมันยากแสนยากเรืออยายทุกสิ่ง ต้นไมล้ละมันมีหลายกิ่งมนุษย์ใยนี้มีหลายชาติพันต่างพ่อต่างแม่ทุกสารทิจฉะนั้นความคิดมันตึงต่างกันนะอุทุจธรรมดาสามัญบาดพระอาหารหันมันตึงเป็นแบบนี้ กกับพระใหบรรดาตันหามีโลกกุตหลงอยู่ตลอดเวลานโยมจะนําปาไปสู่ความกัดเย็นบ่าว่าไปนอกบ่าว่าไปในหาเรื่องใส่ไฟค่อยจะกันเกงอ่ะเปิ้ลว่ามาล้มันหันตรงเฮงคอยมันเหาสุดวันสุดคืนเหมือนพระพุตขัดไปก้มละคผูบลแล้วก็พร้อมเอามาตัวปิดแผ่นพื้น เขาสังฆคณะท่บะมีจุดยืนและสัทธาแตกตื่นแยกกันกาบไว้ตัดหัวยังเหลือเยื่อใยทิดต่างไปแต่ใหย่ใได้เต่มมีเลยน้องใาญ่เลยน้อง สิธาคดย่อมบโคดและบ่าว่าคือไผ่มันขึ้นอยู่กับความเจและจิตใจไผ่จะเลื่อมใส่ฝ่ใดก็ใดขอใได้ไดไดปินคนไผ่มีรัตนะไตนั่นเป็นตีปึงมีและนอไวและน แต่แยกเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีปัญญาคอยมากำกับแยกผิดแยกถูกนั่งนับนอนนับทิศทีบ่บอดับมาต่างคนต่างแท่ง แข่งความขัดแย้งเกิดได้ทุกเวลาต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับต่างฝ่ายต่างถอยตั้งนึกนอนนับต้องยอมฮับพร้อมหื่ออภัยคู่บาได้ทําไวเป็นแบบอย่างคู่บาได้สร้างเพื่อผ้าทรงตั้งลายได้จี้แจงหื่อคนเข้าใจได้อธิบายหื่อคนได้หู แล้วจะจุวนปะน้มมือสร้างคูบาโสภาพูดูแลสัตวนา คนยกมือยกก่อนที่จะสอ้าคนมาสักการขออนุญาตจากดวงวิญญาณก่อนจะเอาผลงานประวัติมาอู่มาเผยเพ่แก่สาธารณะชนซึ่งมีอยู่หลายคนที่ยังบังู่หลายคนอยู่ที่บ่งหูเนาะคนที่หูแล้วก็ฟังเพิ่ม ยังมีหลายคนน่ะที่ยังบ่ฮู้ยังมีหลายผู้กต้ยังสงสัยสี่มื่นบัวซอนมาซอเท่าวายมาซอขายายฮือพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดจนเธอสถาญาตยมบอใจกำลมที่จะอมมาเล่าเป็นเรื่องจริงตั้งแต่ปายหอดเก้ามาฮือหมู่เฮ้าไก้อาฟ จะได้บอว่านอ้อยังน้อยก็ได้ปุ๊จิตสำนึกหื้อได้ละลึกนึกถึงความลังบอกหื้อไทเลือกพักฮักยังค้นเรื่องเก่าหลังหื้อคนตอบโต้เพื่อเอาไว้เป็นกรณีศึกษาถึงจะผ่านมาตั้งแต่ปีมาโว่เมื่อหนาเก่าน้อ เจ็ดพ่อเจ้า่ะคู่ที่จะเลือกเอามาอูดละสาระเก่งแสนเปียกหนาบใด้และบะมี่ไม่กันมาบะมีอ่านบะต้องเอามาอวดเปิ้ลว่าเข้าละมัสุกในไห้ละบะได้สุกในละตากระซาหดบอกตุวเจ้าไข่ซีดและบอกขยมไข่ปวดที่บมเอามาอวดอันนั้นบะมีสาระนั่นเองเนาะเจ้า สีาลละเรียงของตุภระปันละเล่าก็ประวัดของปันละก็มีที่นี่โนเอาเล่เอามาสอละคือปีน้องแก้วบ้านปฐุมสังฆานายกสุภาประวัติมีมาแต่เดิมอ่อนก่อนนั้น ประวัติมีมาแต่แดมอ่อนก่อนนั้นตามที่ได้อ่านจากในหนังสือว่ามีผัวเมียคนดีนานับถือไัยกอเล่าลืออวดอ้างกันหมดผัวชื่อว่าป้อนานอินตะเคยบวชเป็นท้าใจสะอาดมดจดเมียชื่อสซอนใจบ่หอนกดบ้านอยู่ตั้งวันตก่าคองาวเวียง กะเชื่อบัวซ้อนที่จะนอกระเชื่อบัซ้อนนี้นะเจ้าสมัยนั้นยังเป็นดงป่าไม้ไม้ซักต้นใหญ่ก็ต้นอย่างต้นเฮียงอยู่แดงแพงแงะและต้นตะเคียงเก็ตเป่าสูงเปียงเอียงอิงต้นห่าขามอกข้าเจ้าเงาหิ้วเกี่ยวกลมปลายปัดเชยลมสูงกึ่งกลางแฟ เล่นาวันนั้นมีเมียหนุ่มละป้ามาหน้าอุ้มต้องละบ้นเหนี่ยวฝาห้องละมือฝาบดคนผู้ซักหัว้ฟป่วยตามบาตรงพิว้งไหวย่ลงละเขาเล่งเข้าบานเป็นที่น้าเปรประหลาดหัวใจตากะสงสัยว่าเป็นอะไรอย่างอันสิปีสาวปีละที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์อย่างอันบอกก็ หเหตุการณ์อัศจรรย์แม่ก็เจ็ดต้องและจะเ ก, กิดลูกลักที่ได้ฟุง้งฟักละนัานนับเกือบปีตาบันอังการและเดือนเปิดเอดดีและขึ้นน้ำปีสีมาลองอเมินมันพอส่อสองสามเจ็ดสีนั้นนะแม่สน้นเกิดลูกมาพร้อมเหตุการณ์นั้น แจ้งก่อนหันแสงสุริยะก่อป้อนานอินตั้งแม่สอนดีใจได้ลูกหักดีเป็นปอดใจตั้งเชื่อว่าควายเป็นมังคละร่างกายแข็งแรงครบสามสิบสองผิวพันพดทพองบ่มีไฟกาก ะ, จะเจริญไวบ่มีไผโลค่ะช่วยงานสับปะงย่างอัน เต้นเต้ น, ตนมือบอกว่าถือว่าติ้วถึงตัวน้อยนิ้วกองแผลซิวแผลววานหักน้ำโบนัวว่าเพื่อนเตินจานห้องใจแง่าการมาคืนตนันมาวันได้บ่ได้ บ, บังคับบ่ได้วนขอบ่ต้องได้รอหือบอบแม่ห้องใจจีนและ น, น้อง มีวันนึงละตั้นเจ้ากูบาได้เมตตาลาบินทรับบาทลำบาหกใส่ตัวละอันเด็กชายควายแกก้าววงไปและมีเวลฉันลาดกูบามันวิชายแดกโอนอนญาตกับป้อนานกินตะตั้นทีเอาไปเป็นละขยอมละห้มยิง เขียนอ่านฟื้นโอนสันดานกรอมเก่าคลาดสีคือได้ปิดละโอกิ่งอุนดีที่วัดไฟนี่ละใจนิ่เตียงมันอยู่กับคนไปเหมือนผ้าไมมตัดแต่พยุกับคนมีพญาจะมีพิชชาลายลําคําตกน้ำบะฮอนเป็นหินเนาะ อยู่กับคนพา น, า น, า น, าน่านพานไปหาพิษอยู่กับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพลอยู่กับขูบาได้ศึกษาฝึกฝนมุ่งมั่นอดทนจนอนายุ15เขียนตัวเมืองอ่านแถวตัวไทยอ่านออกเขียนได้ชะชานเก่งก้าขูบาพ่อหันอนาคตวันหน้าเลยบรรพชาเป็นสามเณี สู่ร่มเงาพากระาวาพัดท่องมนต์ทำวัดคล่งคลัดตามเกณฑ์พยัญช น, นะสระวักเวนแม่นตัดชัดเจนเป็นตี้อวดอ้างอักขระวิธีบาลีนักธรรมเก่งแถมชำนาญบอพิษผ้าทลังเก่งขนาดเนาะจีบ ม, มาบัานละพะชาละเป็นศิลธร โจนมอดยบถงหลากหลายภาษาบาลีวิธีมูลกระจายธรรมวินัยกันเลพตาใจปีดุกสามารถรอบดูอักษรศาสตร์ภาษาทศศาสตร์นั้นหก็บบกัดประตูกันได้ศึกงแตป็นบังหามรดกตกพทอดสืบพันน่ะเมือนมาร้อยเจปีมาถึงบรรพโยน้องยังมัสูญหายแต่ เมื so ่ออายุสาวทองปีครบกำหนดก็ได้อุปสมบทตามความเมตตาของมลาจารันทนเจ้าค um ูบาหญิงเพิ um ่มศรัทธานักนาปาปานพระมหาเตละสวามีนันนาปีพระอุปชาติวัดประเด้งแห่งนั้นได้เจ้าอาวาสวัดป่าแพง เมตตามาเป็นกรมมวาจาจารย์วัดไฟหินเป็นอนุสาวานาจารย์ได้ชายงามว่าโสภาพิคุได้ศึกษากะเฮียนต่อเพิ่มเติมจากของเกาเดิมมาจากเนนอดตุเฮียนแตกฐานสำเร็ดลวงลุเป็นตีนาสาทุหัวยินา ให้หาเฮียนต่อไปนั่นเล่าเป็นตุเจ้าได้ประมาณหนึ่งปีครูบามาลวิชัยก็ได้สิ้นชีวิได้รับนาทีแต่ครูบาเจ้าเป็นผู้สืบทอดเจตนาลมพ่อผ้าน้อยข ย, ยมเป็นผู้นำเป็นเก่าจีน ตัต้มเตปีพ่อสอนนสามเข้าเป็นลำทตัมแบบละคูบาอาจารย์คู้บาสภพาลมีพิชาเตกฉันทั้งกรรมนับฐ า, านและอักขาละจัดการคือมีละตังการศึกษาเกศมณีลานะเนีเราสังคะมุนกัดยาและวิทยาสามัญยาผิดานนั้น เจ้ามูร้ายแขนงวิชาตอนนั้นหวังว่ากษัตริย์เป็ดมักใครคือวัดละมีครบองค์สามสร้างต้องรอบตู้ละได้ป็นผู้นำํำมีพระคำละพีเสียงนำแนววัดบอกมันองสูงบ่มีพทบาทคุณทศศาสตร์ก็จะตกตำจะ <c oughs> ถ้าบอเก่งเต้นเตนหน่อยนอ่น้ับ ผู้บาสภาได้รับการยกย่องเป็นผู้จบทองกัลลกลายสาขาข้าไตาปีดกอัถติกาีิปัสนากรรมาทานเค่งคลัดจบนิลุทธทางอักษรสั์เทหูสูตรนักบาตและการปฏิปัดท่านเอาเงิมหาอยู่ตั้งหลังวัดปำเพนปิปัสนาตึงวันเงืมหาหลังวัด เอาปากรียดปฏิบัตปิปฏิเวทเป็นขอเขตและเป็นพื้นฐานพุทธศาสตร์จะอยู่ยั่งยืนนานวัดเป็นสถานตีหน่ากลับไว้คนบาฮูบำมีผู้นำคนบามีคุณธรรมบ้านเมืองจะฮอนไห่เนาะ <Hey, no. S 1> จีมและน้อง ปริยัติและด้านปฏิบัติสิ่งสารและสาตัญหูภาษาเสียงนกเสียงนูเสียงไก่เสียงกาท่าตันนึกกะทากเข้ามาหาอดอดคู่บาต้านเก่งเวทมนต์กัดขาเหาะอื่นไปมาบัดต้องได้สีลดกะท่าอาคมเป็นร้อยปศนปศบัดต้องโจทย์ยำเตียถ้าได้เป็นสมัยประเดียวเนาะ เสียงนอกเสียงกาในเฮียนหูมาเพิ่นนี้ตำลาจากโบราณญานต้องอาศัยและในปัญญาญาตะกับละมาทานฉนันเกะแ ก, กผู้เต่มีแต่ในอดีตแต่การในปัจจุบันขับมาครยืนยันตายึงวันนี้เ่าจะเขียมนะแม่น้อเช้า แค่มาเรื่องนั้นก็หันกันจะจะก็พี่น้องอังวะตะโกงหงสาเป็นเล่าลือกันแต่เหินเมินมาว่าหันคู่บาไปเดินบินทะบาทสถาตัดเอากระลงบาเปาคัดจนเป็นเงางามจนสะอาดเอาใส่น้ำเมียงแล้วเอาใส่บาทถวายท่านเจ้า ให้พิสูจน์เอากระลงเก่งนั้นแล้วก็เดินต่างมาเสาะทมหามาปะกัะลงบาเป้านั้นนาดีตั้นคูบาไฟหินดังอันเจ้าว่าคูบาพราะเหินเดินอากาศไปบินทับบ้าติดอังว่าุ่นนั้นจีนแลนอ วผลแห่งความดีได้มาตอบสนองแต่คู่บาสุภาผู้สร้างป เกศาสนาโบุญและสัตพาเจ้าบ้าทางการใดน้องทวารตัมเน่งสังฆนายกะกัง กคองดุลยภสงนั้นทั่วคงที การทุกด้านตั้งวัดตั้งบ้านไปนอกไต้ในความดีมีหลายไัยก็ชอบสุกและมีความหูเก่งการตกคลองตั้งการได้มองหันความเก่งอากามีประทาน พระเจ้าวิจะญาลนถาวายตามเน่งเบื้องบนสมานาักเทลบ็นปฐมสงังฆนายกสุภาถาวายมุทิตายินดีจัดขึ้น หมู่คนคึกคืนอนุโมทนาที่ดอยสุเทพวัดวารามควังแก้วฉลองเป็นน้ำแล้วสองสี่สามแปดพอดีภาษาก็มีบอกไว้ีจริงฉลองตามเน่งหลังได้สังคะ จะเลยอาราถ้าน้ามาอยู่ไก่ไก่เหนือเวียงเชียงใหม่นั่นคือวันเบียงพอโซวันคืนสองสี่สามเกา้าเพื่อการพ่อเฝ้าและพัดท่านาดูแลสัตร์ ศาสนาสันนส่งข้าใหญ่น้อยหือเป็นไปเรียบร้อยสะดวก ส, สนนะบายศาสนาเรื่องไรใดๆดก็ก้วนาบรตกตามจาการศึกษาก็ดีก็มาทานก็มีพิพัสสนามง พื้นฐานศาสนามันคงต่อมามีองค์ิกุหนุ่ม น, น้อยกิริยาเรียบร้อยมีนาำว่าปิง่งบ่ฮือสุงสิงถ้าสงตนเท่าบ่ฮือไปไวตุเจ้าติบมัดอบ มัดเอวสักค่ะเตกแถวป็นสองหมู่สองคังพระสองเตกมังา ก, กาจัดกาใหญ่ป็นสองมีกายบุญไว้เสียงทานนาพระป่าพระปานแยกกันบานตาหลัดที่ มาหาปิงท่านกุมภาบอมันอบหืจาพอดเลวโบงงามหลายคนหันตามไปนิยมชอบสู่มีกาใหม่ไฟยุบแอคติลำเอียงากานทองเทียงสามเนียง ตูพ้องกอดปวดโอว่าหลัททิไม่ดีพงกระบอยอมนีว่าเก่าดีดังอันหน้าต่างโอพัดท่านขาดเย่งบอมมาชมไทบอกแมะน้องอออบานี้อบเพื่อหันเตะนอกเนือ บ่หันป้ไยในต่างคนต่างใจว่ากันบ่ได้ประชาธิปไตต่างมีสิทธิโยมาหลายปีเห็นจีเจ้าบ้านกลุมผู้อยู่ข้าง่านมาหาปีงลองใต้จาก เลียงพิงไปขอตำแหน่งไว้ท่าคือท่านมหาพิงได้เป็นเจ้าคุณนาพิทสาร ล, ละคุณเป็นตำแหน่งใหม่แม่เจ้าไนล้านหนาไหลผู้หลคนตังกอน้อมต้นเป็นศิษย์ ชิตใกล้เอามาหาปิงง้ายมาเจียงมันอารามและได้จักนำนี้กล้ไม่เขา้ามาละของเก่าแต่ก่อนดื่มมาส่วนตานอูบาสาุภากตอต้านนะบางอย่าง ทำนานมานบะมอบะกวรทันว่าพิษพวนบะกวนทำอย่างอันถ้ะป่าถ้ะบ้านก็สิทธะศาสตร์ศรัทธาพระพุทธ ท้าเจ้าปเปแยกหมู่แยกเล่ากันอันจะใดทำดีทังไปเพืออจะได้อวดอ้างมายกตนโอมตานโบราณว่าบ่ดีหีปาเวนีลัลนนาเก่าเกือถ้าบ่ เพื่อก็บัคควรทำลายเ่อได้สูญหายไปจากโลกลาณาคดวันนาลูกหลานของเฮาจะเดือดอ้นมองเหาจะเอาอยมาอแางป้ากันแยกมากงบ่สร้างความสามัคคี บ้าก็มีเจตนาดีชัดเจงบ่วยใจไปเก่งคัดเย่งวางตางบ่วจใจไปค่อยและวังอยากดังมีนาเพื่อพาะศาสนาและสัตธาญยาติยม จะได้สุขสมเหมือนอย่างก่อนกี้ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็คุณวายป่าเื่อยิงใจตั้งหลายหนุ่มเท่าทรัพสุนแต่เราเลือกฮักหลือักจังจีนล้วนพันลังความกัน ต่อตานพระสงฆ์เจ้าบ้านผู้เลื่อมใสสัทธาในตัวตานผู้บาสุปาตุนเข้าเลื่องถึงเก่าเงาพระมหาธีราดูแลศาสตร์สันชาสังขาเมืองตาน บางกอกนะักโนหูความสันคลนเดือด้อนดังอันมีคำสั่งมานั่นหือตั้งครู่บงอาราธท่านนาะไปบางกอกเมืองวางเมื่อละงับยับยัง้งหิุการอาที่กุลศาสนา บ่บนบ่มองบ่นความบัวบ่เฮือจาน้ำบ่เฮือมุญโมงลา เจ้าพระนายใหญ่น้อยป้ากันเศร้าซอยมาส่งคู่บาด้วยน้ำมาต า, า, าสสตลอดจนถึงคันละศรัทธา ดังไลกันแม่ตีตาน้ามาดังกว่าปัญญับคู่บาไปคังทังตีเวียงวังปิดกันอินูคู่บาเสียงทาน กว่วไปต้องกดมา หลังไก่ไก่ป้ากันนะ่ะเตียวแยงละมาห่วมได้ยินน่ะข้าวหรือพ้องก็ว่าดีว่าให้ครูบาได้ฮับนังสือว่าเป็นกระโปด บ, บต้องนับถือป้าคือ บ, ละนะ yeah. บนล้านนาเตก็กเย้แอลปครูบาว่าต้องประหารกลางวันแสกแสกพ้องว่าถูกขัง เดียวแยกว่าไปต่างๆหน้าหน้าเขาลือแพ่ไปทุวาทิตบฟ้าฮือลูกซิดลูกหาผู้ที่เลื่อมใสผู้บานั่งเจ็ดน้ำตาย้อยอ๊บต้องไปละตัวเจ้าพันแนนตีก้อยบังแฟนไว้กับแตกตื่นกันมาแาบๆงบตกออกเหนือไต่ไหลมา สวดใจเนี่ยมงคล น, นั่งูบาตุนมีตากาดแก้วจยากทุกข์ให้ยาหมดสินปัญหาทุกคอย่างบาังกตูเจ้าสวดจบศรัทธากลับนบพร้อมพังบอกว่าคนยืนคนนั่ง่อ บ, บมีตังวางเตียวตึงยิง่งตึงใจ อดอดป้ากันดักมดบ่อเอ็กบ่ อ, บอเอวห่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวมาส่งคู่บาไปบางกอกเมื่อคนน้ำมันดวงหลายคู่บาก็ได้ประกาศบกเกสัตรพร์ออกไม่ออกเ่าว่าไปนอกไปในขอคือหมู่เงาออพี่น้องบต้องหอนอก บ่ต้องเป็นห่วงเป็นใยบัดใจมีภัยมียเหเฮาไปประชุมสังคะสันิบาตีกรุงเทพนับเป็นโอกาสพิเศษ จ, จะได้หูดำหู้แดงเฮาจะได้เสวนาอูจจาพภาทีจี้แจงป้นว่าเพชรดีต้องมีแสง ได้สามแดงหืมเป้อนได้พ่อพอสสองสี่สี่เก้าคนเฝ้าฟังข่าวแต่นอไายไายก็ไข่หันนาให้เอหน้าตีตามนักเวดทำกลางในตีประชุมเป็นที่จุมนุม ฮาทินคู่บาไเหินได้ตั้งใจยินร่วมกับสังคาผู้ใหญ่พระบาทสมงเดพรอหาประทับนั่งหน้าใกล้กตัดถามถึงความหอนหายไปในพระสงฆลานหน้าคู่บาถวาย พระพรตอบพันตนของปัญหาชะาชานไข่พอสังกาโองมหาลาชาพอพระไทยบิกมีพระราชปฏิสันทานกับขันคู่บาหลาสิงจนธรรมเมื่อพระไทยมิ่งเลื่อมใสในตัวคููบาคูบามีใจแนวเน่เนดูเลพระสาร นาสนับส น, นุนตั้งการศึกษาของพระสังฆาทุกฝ่ยทรงทราบถึงข้อเท็จจริงก่อนยิ่งเข้ามากราบไหวทรงหันการเอาใจใส่และมีวิตในดีดีงดงามศีลาจารวัดผลงานประจับเป็นสักีสรเป็นศิท พระมูนีกวรที่ปวดอ้างยกย่องเยีงทวายนณพระราชค า, านตำแหน่งเป็นการประกาศ ต, ต้องละเป็ียนการเชิดชูยกย่องเป็นพระราชายงเพราะคุณและความดีมีนักสูงยดสูงสักอักโวทำหน้าที่พระสาวกของพระพุทธของหลวง ในพระราชทินนามพระภัยาาสารทสั่งขะป่าโมกสองสสเก้าหายโศกเป็นจุกใจยะมงคลกลับมาสู่เบียงเจียงใหม่ยิ่งใจพร้อมกลับพระทรงหลยคนหลยลูกลลยตนต่างตั้งข บ, บวนแห่นนนเปส้ตามลำ แม่บาว่าต้นหนุ่มต้นเกเลเหลืองอาลามเรื่องลอ ง, ลองยาวไปถึงเมืองลาปูนย้ำลุงอาลุนเต็มถึงฝั่งซองถึงวัดใหญนน่โมกนองนองปีต้องมีสองฝั่งบาว่าบนบกในน้ำลายล้ำป้ากันไหลลังบ่อมีไผ่ปัง ขับสั่งมาด้วยจิตใจศรัทธาน้อมถวายการต้อนทับครูบามาด้วยยศถาได้เป็นปรกมุขสั่งข้าคงเขตล้านแน่ที่ยังไม่สั่งขาราชานายกักคนแครว่ากลับไปศาสนาล้นนาจะได้นาจะเลืิอนลุงเลืองว่าเดิมโต ของพุทธศาสตร์ละอันใดมันขาดก็เสริมป ร, ริยัตปฏิบัติต่อเติมจะเพิ่มคนมาไว้กวาในด้านคันธุระวิปัสนาธุระบ่อขาดผู้นำผู้มีบทบาทเสริมสร้างวัดว่าอารามวิหารศาลาบุติบ่มีตีต เดียดยามวัดว่าจะเริ่นงอกงามสมนามเวียงพงิงยิ่งใหญ่ศาสนาจะเริ่นที่สุดละบ่มีจำจุดมองใหม่เมตตาประพกทสงไ ด, ด้เล่ดูใจใส่ย่างที่พอสงสีห้าเจ็ดตันสิลิอายุแปดสิบสามปีจะลาภาพแล้วเท่วเต็มที่ บาลมีบุญใหญ่รัอาภัยสาราทที่คาราวะมอลนาภาพทิษยานุศิหลายหลากสร้างอนุสาวะรีไวติวัดฝ่ายหินเป็นทินดินแดนสักขีกี่วันกี่เดือนกี่ปีบ่มีวันศูนย์ วันที่สาวเอดลเดือนเมสายนตูกศิษย์กูคนเปิ้นเมตตาเหือบลันนาละพมาไตลอลดน้ำหโหปันกู่บาเป็นปะเพนีปะจำปีวัดเล้วกะยังจัดปวดเดินโดยนาพักได้อดลอนที่ศีลภาวนาอบลมธรรมะหาย เพื่อมูเรายาววชชนฝึกฝนสวดมนต์ไหวกราบผู้ถึงลักพุทถ้ศศาสตร์คอวัดปฏิบัติเจ้าเล่งเพื่ออนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงมมีแสงทานธรรมจะได้เข้มแข็งมั่นคงอยู่ผู้มนุษย์โลกกตบเจ้าอาวาสองปัจจูบัญจั คิดยากลำบากมีประโยชน์ราธนาละพระสงฆ์มาโพเตศมเป็นวางเป็นข้าวลดดวนขบวนพิเศษร่วมกับกุมนุ่วสาวจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาช่วงกลางว่าสตาลอจัดงานตักบาเทวหไนโต่กอได้ สืบทอดลังวาซาเหมข้ามมาหอดประยุทธ์ยังจอดขาดเลยวันสําคัญรอบปีบ่เว้นบงเห็นบุญบ่นิ่งเฉยตั้งกลุ่มหนุ่มสาวบ่นละเลยพุทธมามากกะหลลุ่นยัตติพันนักปาสงลายองค์พระน้อยตุง้งหนุ่มต่างประเทศเข้ามาลุ่ม มาศึกษาหาธรรมปฏิบัติธรรมนานานาชาติแก่าคาราวาทพระสงประจําป็นแรงที่ที่นำมาได้พบความกันอย่างจัชทานีวิทยุโทรทัศเผยแร่อเอ่ยอ้างพระสงฆจักวัดวต่างๆได้รวมพระลังจุมนุ พูดฝลังอังกฤษแกผู้มีจิตใจห่มอู่ไทยอู่เมืองเป็นจุ้มบ่เคยตอดตุ้มละวางสัตว์ความดีที่ตอ ออนนไม่คุณงามความดีของท<า>่านบาวัดไฟหินดำ อ, อ่อนก่อนกี่คุณงามความดีบะมีสินสูนถึงเมฆจะมรณาภาพคนยังไหวกับอย่างทวีคุณบินสูงตนที่ได้เกือกูณพุทัดศาสนาบนุญนาแห่งเบียงเบียงใหม่ พุทธศาสนาบุญนองฝ่าอุปสรัคนานับประการฝ่าภัยมันลุลอดมาได้นับป็นการต่อสู้ทางยิ่งใหญ่และถ้าคนทั่วไปนะ่ปะทำบาดได้เด็ดค่ะ นอนงศาสนาโบโบนมหากกยคือปอดใจได้ใไ้ได้กลางตั้งปาริยรปฏิบัติกรรมฐ า, านคู่บาสืบสานฮักษาเอาวันถ่ายทอดทือลูกลานไก่ ได้นำเผยแพร่ขยายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีคุณอนันต์ต่อสงล้านนาไทยาลีวยายกรทั่วไปอาขยาตสนที่และสมัติมูลละกระจายพระตดพิดบคูบาทองจบหืได้ปิดขาด จบหนีรุดและอักษรนสัตว์คู่บ้าเป็นปาาล้านนาคนหนึ่งเต้นะเอ่ยถึงตั้งคู่บาน้ํามว่าโซภาล้านนาจาลึกจึ๊ัด้านไฟหินบ้าสนสิ้นคนดีได้ผ้าส่์ผู้มีภูมิธรรมและความรู้<ฮ>มีความมุ่งมั่ พอมากอยู่ได้เชื่อจูพุทธศาสนาธาตุพระภูปริยัติญาณุสัตเป็นเจวาอาวาสไดพัดนาเอาวัดไฟหินปิดเล็งซึกสาสำลับสั่งตาเฮงนาชาตธาตุพระภูปริยัติญาณุสัต เคยเพธ่ธรรมะปฏิบัติธรรมได้นำนำหลักพุทธศาตร์คศาสนาได้มีบทบาทย่อยเหลือชาติสัง่งภูมิภกคทุกส่วนอย่างดีปับเปลี่ยนและห่างเคตั้งวิถีศาสนานั้นมีคุณแลประโยชนอนุโมทนานะในบุญปาลามีพระทรงผูกมีคุณความดีพรอะ ศาสนาด้วยความนอบน้อมช่วยกันปกป้องใยรัดตั้งสามคือศาสนามีอายุยืนยาวเป็นหฮมเงาคนใจมีงามงามเจ้าแม่งามว่าได้มืดมัวดำปุ๊บแต่ความสาวาม่าง มีวัดว่าเป็นสูนรวมจิตใจพระธรรมอภัยพระทรงเสริมสร้างเป็นศักริะน้ยามใจพาดพังเป็นตีจังยามใจหดหูอ่อนเอกิเลตมันตาตันหาคอยเนปาใจปวนแปต้องเละหาที่เปิกตัวเจ้าต่ดีน้ำสาพาตับบ่ตายแล้วไปเจอบนสวรรค์จันฟ้า ไอบอกแกสิทั่วหน้าคือมันสิกตาคือมันน่ะฝึกคนแล้วนำเอาละอันของความรู้ไปสอนหมวยยิงใจผู้คนศาสนาบะมีมืดบนข้ อ, อ, ขอพระสุบเพ็ญตนนำแตงกี้บ่ศาาสนาจะสุดซอยทันทีละทะหกัก บะ ม, มีและตุเจ้าตาบอดซัทผ้าก็ตึงมาไปลอดตุเจ้าตาบอดมาหูตีสว่างชีวิตุเจ้าตาดีนับสถาตาดีผุดปันผิดศาสนา ก, ก็ยังอยู่ศาสนาจะอยู่ยังยืนยงบ่ใจแต่ถ้าส่งไฟเดียวเต่านั้น กที่สองฝ่ายนะจะต้องมีศรัทธาเจ้าบ้านช่วยกันดูแลอุปธรรมบาปล่อยให้พระสงฆ์องค์เนึอยู่อย่างลำข็นอยู่อย่างลำพังศรัทธาต้องเป็นพลังมาช่วยกันทุกทางสองฟักสองฝ่ายช่วยกันเนอะมีน้องศรัทธาเจ้า วัดไฟหินเป็นวัดเก่าวัดเดิมมาช่วยกันส่งเสริมบ่ฮือมองไม่สืบเจตานาของคูบาไวเ้เจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตเดิมมาเหมือนกับสมัยคูบาศินป์ัญญามีครบทุกอย่างโทษบุญี่พี่น้องเอาอาดูแลพ้าสั่งค้าส่งข้าส่งนาน แทบวัดว่าช่วยกำรได้ช่วยการดูแลศาสนาคือผนบุญละมาตอบส น, นองมีเงินมีทองทรัพย์สินนานาคือกาดแก้วจากโลกโลค่ะอย่าไปยาเดียวไลต่ตางๆังคือผู้สนละผลบุญกินตานมาดนบัน ดังเฮ้อสมใยอ้างสมกำมักกำพัถนานัน้นเฮ้อสุขสมบังดังใจมูม่มาศเนจะลื้นล่งเงยงจได้หันเฮสมดังคาดคะเนศีกอันปั่นยงบุญได้กำจูพุทธศ า, าสนาสะต้อนปิ๊กมาฮักษาบีน้องสุขสบายเหมือนกันทุกคนนะเจ้า ก่ อ, อยู่ปอกินก็ป่อหอมป่อยองอย่าได้คัดข้องอย่าได้คัดสนจะหิขอหื้อปันแมจะหาหื้อปันได้ดันโดนอย่าเจ้งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้กังวลโผล่จะลุกโศก จะอยู่ขอเฮือมีใจแม่นจะไปฮือมีโจกอย่าได้มีความทุกข์โศกอย่าได้มีโรคอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยแต่นะบุญที่ได้ดูแลวัดว่าโบราณเปิ้นบ้าอานนส้สงิ่งใหญ่ Why? Wow.